ไอ้ตรงเนี้ยเราก็จะเห็นนะเพราะดิก็มองมองมองคําสอนได้ชัดขึ้นกรมมะกรร ม, มะสมุทยาวิญญาณสมุทยโยน่ะจิตยกตัวอย่างเนี้ยจิตที่มีราคะเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดเนี่ยกรรมในดีดเป็นนานาคะนี่ ก, กรร ม, มะไหมเป็นกรรมในดีดทั้งหลายเป็นอุปนิสัยปัจจัย เขาเรียกโอปินิสยปัจัยถามว่าราคาที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่มีไม่มีปัจจัยในอดีตเพราะโทษเหตุการละตัณหาในอดีตไม่ได้นี่แหละราคาในปัจจุบัน เ, นเพราะทํากรรมในอดีตไว้ที่เกี่ยวข้องกับแวดล้อมกับตัณหามาดิแหละลองไปดูเหตุของโลภะสิเหตุของโลภะเนี่ยนี่นะเหตุของโลภะท่านกล่าวไว้อย่างเนี้กล่าวไว้ในชั้นของคําสอนเนี่ยบอกว่าปฏิสนธิ ปฏิสนธิด้วยกรรมที่มีโลภะเป็นบริวารชัดไหมนั่นแหละเพราะว่านั่นแหละทำกรรมที่เกี่ยวกับความโลภเป็นบริวารโอ้จะทําบุญแต่ละทีเนี่ยนะก็มีโลคิดนะเป็นบุญตัวกรรมที่ให้ผลเป็นบุญแต่บริวารของความคิดทั้งหลายแวดล้อมปัจจัยแวดล้อมทั้งหลายโลภะกินเพียบเลยนะแต่กรรมที่เป็นกุศลส่งผลตอ น, นนี้อัตยาใสาที่เป็นไปกับโลภะจึงมาเกิดในปัจจุบันไง เนี่ยแม้จะทาบุญทั้งทีก็อ๋อมีการเอ า, เอาไงเนี่ยมีการประคมมีการอะไรต่างๆหน่อยเชิญแขกมาเยอะๆดเีเลี้ยงแขกด้วยมีมนพระด้วยสมมุตินะเนะเขาไปบอดทางโลกก็อย่ายให้เสียทางธรรมก็อย่ายให้ขดาดพวานั้น ม, มีโลภะเป็นวยวานแร่ร้อมไหมแวดล้อมทำกรรมประเหตุเนี้ยเนี่ยกุศลกรรมนะจริงๆตัวกรรมเนี่ย ตัวกรรมนำเกิดเนะี่ยครบนอะโอ้ดีทํากรรมในชื่นใจด้วยแต่บริวารแวดล้อมหมในขนาดนั้นก็โอ้ยเกี่ยวข้องอะมีการประดับงามๆทั้งนั้นแต่คิดผิดไปถ้าคิดบูชาพระเจ้าเสียจะไม่เป็นโลภะเลยใช่ไหมแต่กับกลายเป็นเอ้าเอ า, เอ า, เอ า, เอาหน้าตาหน่อยเงี้ยจะได้ว่าเอาเอไม่ได้แล้วเพอจะได้ไม่เสียหายเงี้ยโลภะก็เป็นบริวารแวดล้อมเงี้ยไอตัวกุศลกรรมที่เกิดขึ้นก็แรงนะไม่ใช่ไม่แรงแต่บริวารแวดล้อมก็มาทีนี้พอมาปฏิินทิพย์ เ, เสร็จปุ๊บเนี่ยไหม ไอตัวปฏิสนธิจิตเนี่ยกรรมที่มีโลภะเป็นบริวารแวดล้อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่ามาจากพบมาจุติคือตายมาจากพบที่มีโลภะมากมาจากเทวดาบ้างมาจากภพพรมสวยๆงามๆบ้างมาจากสิ่งแวดล้อมที่ดีๆทั้งหลายใช่ไหมได้เห็นแต่รูปที่งามๆเสียงที่เพลเพราะกลิ่นที่อมหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มๆ อารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยคนประเภทเนี้ตายไปแล้วได้กุศลก็ทํานี่นะเนี่ยมาโห โ, โลภะกินนี่นะนี่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ประสอบอิทธารมนะได้ประสอบอิทธาลมคืออัศาศะทัศนังก็คือได้เห็นอะไรเห็นได้เห็นสิ่งที่ชอบใจเนี่ยสิ่งต่างๆอะไรนี้เป็นเหตุ ถ้าจะเป็นพวกตันหากลุ่มโสมนัสไม่ใช่ตันหาเบีขานะีคนบงคนเนี่ยมาในปัจจุบันพบเนี่ยนะโลพาเกิดขึ้นที่เป็นประเภทที่โลพาโสมนัสเกิดบ่อยนี่นะเห็นอะไรก็ชอบขาชอบยิ้มชอบอะไรต่างเพราะโลภามันเกิดมากเพราะประเภทโสมนัสถ้าปฏิทนที่นี่นะด้ยโสมนัสเนี่ยคนที่โลพาโสมนัสเกิดบ่อยนะถ้าเป็นกลุ่มอกุศลนะก็มาจากเนี่ยปฏิทนที่ด้วด้วยจิตโสมนัสและ ตัปฏิสนธินั้นมีมีโลภะเป็นบริวารเรียบรอบซึ่งผิดกับมหากรุสุนพวกมหากุศลที่เป็นกุศลเนี่ยเขาปฏิสนธิด้วยกุศ ล, ลกรรมที่เกี่ยวกับโสมนัสแวดล้อ ม, มต่างๆกันอย่างนี้คือได้รับอารมณ์ดีๆแวดล้อมปัจจัยดีๆแวดล้อมเหมือนกันแต่เขาเป็นไปกับกุศลถ้ากลุ่มกับโลภะเนี่ยจิตที่เป็นโลภะเนี่ยเขปฏิสนธิมาด้วยกรรมที่มีโลภะเป็นบริวารกับปฏิสนธิมาด้วยกรรมที่มีกุศลเป็นบริวาร แล้วก็มามาเป็นปัจจัยแก่โสมมานัตปฏินที่เหมือนกันเนี่ยนะกลุ่มบุคคลเหล่านี้โสมมานัตง่ายเป็นใบกับโลภะ <c oughs> ก็โสมมานัตง่ายที่เป็นใบกับม้ากุศลนี่มันต่างกันอย่างนี้คืออัตยาริยมันเหมือนถูกฝังไว้ในพวังเลยนะประหลาดมาก <c oughs> เหมือนอย่างนั้นเลยนะเหมือนถูกฝังว่าอัตยาริยจะคล้อยไป็นเรื่องความสวยความงาม <c oughs> การประดับประดาการตกแต่งคือให้คิดเรื่องนี้เก่งมาก ถ้าเกิดมาในปัจจุบันภพบนี่นะถ้าได้เหตุปัจจัยในการที่จะให้คิดว่าเสื้อผ้างามๆต้องคนนี้สิถ้าจะให้ไปวิจารณ์เ น, นี่ยคนคนี้เก่งมากดูเพชรงามๆต้องคนนี้อะ่ะระวังนั้นนะหรือ ว, วิจัยพวกเครื่องประดับทั้งหลายต่างๆอลไรเนี้ยการวิจิตประดับประดาตกแต่งงามๆทั้งหลายเนี่ยเนี่ยลักษณะเนี้ยกลุ่มคือเขาทาแล้วเขาชื่นใจเขาสมนัติเขาเกิด อ, อันนี้คือกลุ่มที่โลภอันนี้ก็ถ้าหมหากุศลก็เป็นอีกมุม กับประสบก็อีกทะอีกอย่างหนึ่งนะว่าอักมภีรสาปกติตานะคนที่ปฏิสนธิด้วยด้วยด้วยโสมนัสคนที่เป็นคนที่โสมนัสเนี่ยมีความไม่ค่อยสุขุมหรอก<ม>คือคิดไม่ละเอียดพอคิดไม่ละเอียดก็จะล่าเริงง่ายใช่ไหมแปบบ๊บไอเรื่องที่ไม่น่าล่าเริงก็ล่าเริงเรื่องที่ไม่น่าขำก็ขำตัวกิ่งตัวงอเนี่ยนี่ไม่ค่อยสุขมุม <laughs> เคยเห็นไหมบางทีบางทีนั่ง นั่งขมเรนะื่อยเนี่ยบางทีอยู่คนเดียวยังยังยังขมเลยมดมดเดินในบ้านยังนั่งหัวเลาะอยู่คนเดียวเคยเป็นไหมอา้าเราไม่ค่อยสุขขม <c oughs> มีไม่ใช่ไม่มีนะ <c oughs> บางทีนั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวเพราะไปปารบเรื่องที่นั่นเบ็ยเศ็กก็หัวเลาะขึ้นมา <c oughs> เคยเป็นบ่อยไหมไม่เป็นเลยเลย ในประสบอารมณ์กับอิทธิอรมแล้วก็พ้นจากพยาศนะนะยาติพยนะแล้วก็โภคาพยนะแล้วก็โรคาพยาศทิถยาศแล้วก็ศีระพยาศกลุ่มนี้จ ะ, จะจะจะชื่นใจได้ง่ายตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มของโลภะไปอันนี้ก็เนี่ยตัณหาพูดถึงตัณหาเหตุของตัณหา ประการต่อมากรรมสมุทยาก็เป็นกรรมถ้าภาษาเป็นปจัจจัยเกเวทนาไปแต่ในที่นี้เอานามรูปสมุทยาวิญญาณสมุทิเอาปัจจุบันนี้นะนามรูปในขณะปฏิสนธิ์ในขณะประเดนียนเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิวิญญาณโดความเป็นซาจาตานะถ้ากลุ่มนามรูปที่เป็นหาติยะวตถุก็ไล่ไปอีกมุมนั่นก็คือนามรูปที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุใกล้ของวิญญาณไป หรือหรือถ้าปัจจุบันก็เนี่ยจักรคูปศาสตร์โสตประสาทคณนาประสาทชิวหาประสาทกายยาประสาทนะแล้วก็นามาทำทั้งหลายเวทนาขันสัญญาขันแล้วก็สังขารละขันก็เป็นปัจจัยแก่จักขคุณญาณไปโสตวิญญาณคณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณอันนี้ก็เป็นเหตุใกล้ของวิญญาณเหล่านั้นมองเห็นใช่ไหมเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ก็ก็ให้เข้าใจอย่างนี้ แล้วก็นิพพติลักษณะก็คือลักษณะการเกิดของจิตเป็นต้นโสภาภิคูเนาะตรงนี้ท่านบอกว่าภิกษุนั้นวิหารตินี้ก็ก็ย่อมอยู่ย่อมอยู่ด้วยอะไรเดียสมุทยะธรรมานุปสีเนี่ยคําว่าย่อมอยู่ในที่เนี้ยย่อมอยู่ด้วยอะไรียาบทียาบทยืนียาบทเดินียาบทนั่งียาบทนอนนี่อยาบทวิหาเนี่ย ย่อมอยู่ด้วยการพิจารณาอะไรพิจารณาอะไรพิจารณา5ประการเนี่ยสมุทัยธรรมานุปัสสีงไให้อยู่พิจารณาเหตุเกิดเหตุแห่งการเกิดได้ลักษณะการเกิดของจิตนะอย่าไปอยู่ด้วยการปล่อยจิตให้ฟรีๆนะั้นไม่มีย่อมอยู่ น, ะนะนะันั้นเน่ยอยู่ด้วยการพิจารณาทุกียาบทอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอยู่อย่างเนี้ยถึงจะเรียกว่าเป็นการเจริญจิตานุปัสสนา ก็เรียกว่าียาบทวิหารอยู่ในียาบทใดก็ย่อมอยู่ด้วยการพิจารณาสมุทัยธรรมานุปสีให้พิจารณาเห็นอะไรเห็นอวิชาเป็นเหตุเกิดของจิตเห็นตัณหาเป็นเหตุเกิดของจิตเห็นกรรมเป็นเหตุเกิดของจิตแล้วก็เห็นอะไรเห็นนามรูปเป็นเหตุเกิดของจิตแล้วก็เห็นนิพพติลักษณะ คือลักษณะการเกิดขึ้นของจิตเนี่ยอยู่ในยาบทไหนก่อนเบื้องต้นนะนี่เขาเรียกียาบทย่อมอยู่เอาย่อมมาวัดไปนั่งอยู่เนี่ยพิจารณาเหตุห้าประการนี้หรือเปล่าก็อย่างนี้ไม่ได้วิหารติงนัษ <c oughs> ุือโสภิขูเนี่ยสบายไหมวาสุบาศิกาไม่มีในเนี่ยโสภิกูเนี่ย โสภิคขูนี่เป็นราชาอะคาโตนะกล่าวถึงพระราชาอามาศราชบริพานตามมาด้วยนั่นเนี่ยนะเนี่ยก็คือกล่าวถึงในเรื่องของคําว่าภิกษุณีบ า, บาศกบาสิกาก็ย่อมอยู่แบบเนี้ย่อมอยู่ยังไงย่อมอยู่ด้วยอัจชตังนะอัชตังจิตเตจิตานุปสัสสีโดยเป็นผู้ตามพิจรารณาเห็นจิตของตนว่าของตนยังไง บอกว่าจิตมีราคาะาคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคานะนั่แหละจิตปราศจากราคาก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากระาคาพิจารณ า, นายอย่างนี้อยู่ในยาบทไหนก็พิจารณ า, นายอย่างนี้ <fic ult> จิตมีราคะ <c oughs> ก็รู้ว่าจิตมีราคะปราศจากราคาก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากระคาให้พิจารณาอย่างนี้ก็ไล่ไปตามลาดับเลยเรื่องยาวเลยนะเนี่ยแค่นี้ เป็นเรื่องยาวเป็นการที่จะไข้ควรพิจารณาเนี่นะแต่แต่ยังตามไม่รู้ทันเลยจิตมีราคะยังไงปราศจากราคะยังไงใช่ไหมถ้าไล่าตามจากกุธวารวิถีเนี่ยทั้งวิถีจิตวิถีมุตตจิตเนี่ยส่วนที่จิตมีราคะจะเป็นชาวนะที่เป็นโลภะก็คือเฉพาะชาวนะเท่านั้นเองที่เป็นราคะดอกนั้นเป็นจิตปราศจากราคะไปเนี่ยนะใช่ป่ะ อ๋ออันนั้นด้วยอันนั้นก็อันอันนั้นก็เป็นกุศลไปกุศลใช่รวมด้วยรวมสิเพราะว่าจริงๆกลุ่มจิตปาราคาแต่ว่าในที่นี้พอยกไปตามตะวันต่างๆอันนั้นคือการวิจัยไปตามตะวันต่างๆเพราะเพราะเรื่องการวิจัยเนี่ยหรือการพิจารณาการไข้ควรการทําปริญญาเนี่ยเออต้อง ต้องใค้ควรแล้วก็ให้ชำนาญให้ชำนาญจริงๆเลยนะคือโ ด, โดยหลักก็คือว่าถ้าไปไปไวเกินไปก็จะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เก็บรายละเอียดแล้วเีะนั้นก็บอกว่าเพราะการที่ไปไข้ควรหรือพิจารณาเร็วเกินไปก็กโดดข้ามไปเยอะก็จะมัวตรงนี้ก็คือจะต้องจะต้องจับประเด็นให้ได้ ใช่จริงโดยหลักในท่านกล่าวเนี่ยทำความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักนี่ก่อนจิตมีราคาปราศจากราคาชัดเจนในสภาวะองค์ธรรมนี่ชัดจิตมีโทสะปราศจากโทสะโมจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านเนี่นะเนี่ ย, ยต้องให้ชัดตรงนี้ก่อนแล้วก็จิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตเป็นมากตะไม่เป็นมากตะตรงนี้ต้องชัดก่อ น, นทั้งหมด อ๋เอเป็นกิริยาเป็นกิริยาอ๋อใช่ท่านไม่เหมือนเราหรอก ต, <c oughs> ตรงนั้นท่านเรียกว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความห่วงใย คือใช่ต้องการุณานั่นแหละคือท่านก็มีความคิดว่าเป็นไปกับกุศลตนเองจะเข้าสู่สมาบัติต่างๆกระดูกระไลอยู่ก็เลยดูว่าเอ๊ลูกศิษย์เป็นยังไงนะฝนก็ตกหนักและเกินบรรษานี้ตกอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเออเป็นความที่ว่าน่าจะลำบากเพราะฝนบ้างอยู่โคลนต้นไม้ด้วยอันตรายก็เยอะอต่างเนี่ยแต่พอออกบรรษาก็เลยถามบอกว่าเป็นยังไงท่านก็บอกว่าอยู่สบาย บอกว่าอยู่ในสมาบัติตลอดยอย่า ง, ง, น, งนีงนงมม้นี่ใช่ใช่ตรงนั้นตรงนั้นดีก็ปิดมุมไดละ เ, เอียดตรงนั้นไว้ฉนะนั้นคำว่าสสภิคูนั้นวิหารติย่อมอยู่เนี่ยอชัดตังวานี่นี่พิจารณาตามเห็นนะจิตของตนน่นว่าเหตุเกิดว่าทั้งราคะทั้งโทสะทั้ง16ประเภทเหล่านี้ชำนาญทั้งทั้งตัวสภาวะ ของจิตนั้นๆแล้วก็ปัจจัยของจิตนั้นๆและการเกิดขึ้นของสภาวะจิตนั้นๆ น, น, นี่นะในรายละเอียดตรงนี้ก็เก็บมุมให้หมดเพราะไม่ข้อหนึ่งแต่รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวก็ต้องตามมาว่ากันตามลําดับอยู่แล้วตรงนี้นะอีกข้อหนึ่งก็คือว่าในคําว่าโสภิคุเหมือนกันวิหารนีเนี่ยย่อมอยู่พระเฮธาจิตเตจิตตาโนปสีเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นจิต ของบุคคลอื่นว่าเป็นนะอันนี้ถามว่าพิจารณาจิตของบุคคลอื่นพิจารณาอย่างไรพิจารณาอย่างไงเนี่ยในชั้นของคำสอนในชั้นของคำสอนเนี่ยบางแห่งท่านกล่าวถึงกลุ่มพระหิทธาจิตเนี่ยหมายของบุคคลที่มีอิย ญ, ญาบางชั้นคําสอนบางที่แต่ <c oughs> ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ย สามารถเทียบเคียงได้นะการวิจัยจิตของบุคคลอื่นในกรณีแห่งการที่บุคคลที่ยังไม่อยู่ในชั้นของการที่จะมีสมาบัติเมียพิญญาต่างๆเกิดขึ้นก็เทียบเคียงเกี่ยวกับในเรื่องของจิตที่เกิดขึ้นกับตนเองเ่ยราคะเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาึงบอกว่าโสภิควิหารติเหมือนกันก็อยู่ด้วยการสมุทยะ ทำมาโนปสีเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นการเกิดและเหตุเกิดขอการเกิดของจิตเนี่ยในจิตบ้างอยู่แล้วก็ย่อมพิจารณานีบอกว่าทั้งของตนเองและของผู้อื่นเนี่ยนะอันนี้ท่านพูดถึงความชํานาญท่านก็เลยกล่าวไว้ในติการนิบาศว่าองค์คุณขององค์คุณของการที่จักบรรลุสติปัฏฐานเนี่ยต้องได้องค์คุณสประการหนึ่งพิจารณาจิตในจิตภายใน ชำนานสอพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกสอสก็คือพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกถ้าองค์คุณ3ประการนี้ไม่ได้สติปัฏฐานไม่บริบูรณ์ <ừ. S 1> ถ้าไม่บรบรณ์ไม่บริบูรณ์ก็บรบรลุไม่ได้ไนีตร้ของตอนเองจิตที่เกิดขึ้นตนเองทั้งหมดถ้าภายนอกของบุคคลอื่น ทั้งภายในภายนอกก็ค <laughs> ือช <laughs> ํานาญทั้ง <teor> จ <icias> ิตตนเองและของบุคคลอื่นนี่เป็นอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าภายในแปลว่าในมโนทวารอย่ไปคิดอย่างนั้นนะแล้วภายนอกอยู่ไหนอาจารยเนี่ยไม่ใช่เลยอันนั้นจะต้องเป็นภายในหมดเลยเป็นภายในหมดเลยฉะนั้นจิต ที่เป็นไปทางจากขุตวานโซตะทวานคารนตวานจิหวัดวานกายาทวันมโนทวันที่ไหลอยู่ในกระแสขันของตนเองจัดเป็นภายในหมดเลยจัดเป็นภายในแต่ถ้าทีเป็นนไปกับขันของบุคคลอื่นนั่นจะเป็นภายนอกทีนี้ความคนที่เขาเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเขาจะต้องชำนาญทั้งภายในและภายนอกนั้นพูดถึงการช่ำชองแล้วพูดถึงการช่ำชองนี่ส่วนรายละเอียดต่างๆตรงนี้เดี๋ยวจะ เอามาหมุนดูทีในร า, ายละเอียดนะตรงเนี้ยเพราะดูจากเวลาแล้วอะไรแล้วจะจะไม่ทันตรงนี้เลยทีนี้วยะธรรมมาวยธรรมารรมานุปษษัสสีตามพิจารณาเห็นเห็นการดับและเหตุแห่งการดับจิตตสมิงในจิตเนี่ยในวิหรารตินี่คือย่อมอยู่ก็คือไม่ใย่พิจารณาเหตุเกิดเท่านั้นพิจารณาเห็นอะไรไเห็นเหตุแห่งการดับและลักษณะการดับของจิตด้วย เห็นการดับลักษณะการดับโดยการห้าเห็นการดับของอวิชชาเป็นเหตุดับของจิตอวิชชาสมุตอวิชชานิโรธาวิญญาณนินโรโทเนี่ยจิตดับเพราะอะไรดับอวิชชาดับอวิชชาดับด้วยอะไรอวิชชาดับด้วยอะไรดับด้วยอรหัตมรักนะถ้าอรหัตมรักไม่ ไม่ดับเอาวิชาในจิตจะดับไหมในสังสารวัฏเนี่ยนจิตที่จะเป็นไปในสังสารวัฏเนี่ยจะดับได้เพราะวิชาระดับเห็นตัวเนี้ยเห็นเห็นเหตุแห็นการดับเขาเรียกว่าเห็นเหตุแห่งการดับและลักษณะการดับว่าจิตเนี่ยจะดับได้อย่างถาวรใช่ไหมก็ต้องดับเอาวิชาที่เป็นเหตุเป็นเหตุเกิดของจิต เป็นไเกิดกังจิตเพราะาวิชาเนี่ยเป็นต้นตอหลักใช่ไหมเป็นตอเป็นว ต, ตศรีศรษาเลยอันนี้เป็นศรีรษาของวัฏฏะเลยถ้าตัดศีษาไม่ขาดจิตก็ไม่ดับดับจริงที่ไหนตอนนี้ไม่จริงเลยเนี่ยฉะนั้นถ้าถ้าดับไม่ได้เอวิชาถ้าดับอวิชาไม่ได้จิตก็ดับไม่ได้ เขาว่าจิตดับไม่ได้ไม่ใช่จิตไม่เกิดไม่ดับนั้นเกิดดับตลอดเวลาอยู่แล้วความคิดเนี่ยแต่ว่าไม่สามารถดับออกจากสังสารวัตรได้ถ้าอย่างนั้นนะจิตมันก็ไปเกิดดับตามทวารต่างๆอยู่นั่นแหละ <S <S ตอนนี้ก็ไปเกิดดับในจกักรุทวารในโสตะทะวารในคะะานาทวารจีหัตทวารกายยะวารมโนทวารหน่าเบือ่อมันก็เป็นไปอยู่นี่เป็นสภาวะที่เกิดดับเป็นไปอยู่นี่แหละ เป็นไปในสังสารวัตไม่ขาดสายเนี่ยไม่ดับเท้าวรได้เพราะเราดับวัตตาศีสะคือไม่สามารถทําอารานธรรคให้เกิดขึ้นได้เพราะไม่เห็นอะไรไม่เห็นเหตุเหตุการดับและลักษณะการดับจิตถ้าประการก็คือเห็นการดับของอวิชชาเป็นเหตุดับของจิตว่าถ้าวิชาดับได้เนี่ยตับอวิชาได้อย่างถ้าวรเมื่ อ, อไหร่เนี่ยจิตก็จะดับในสังสารวัตร เห็นการดับของตัณหาเป็นเหตุด <Ru ji> <quila> ับของจิตใช่ไหมไม่ใช่วิชาอย่างเดียวใช่ไหมข้าตัณหาด้วยใช่ไหมแล้วก็เห็นการดับของกรรมเป็นการดับของจิตคําว่าหักกรรมแห่งสังสาระจักเนี่ยถ้าอาวิชาดับอย่างถาวรตัณหาดับอย่างถาวรนะอุปาทานทั้งหลายเป็นต้นน่ยดับอย่างถ้าวรนเน่ยกรรมดับด้วยให้สังเกตพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายที่ไม่ทํากรรมแล้วนะ ไม่ทำกรรมแล้วกรรมที่จะนะําปฏิสนธิท่านขาดแล้วเนี่ยอันเนี้ยการเห็นลักษณะนี้ก็เลยเห็นเห็นการดับเห็นการดับของอวิชชาการดับของกรรมดับดับของตัณหาด้านการดับของอุปาทานทั้งหลายเป็นต้นเหล่า น, นี้ด้วยนั่นแหะการพูดเห็นการดับของนามรูปเป็นเหตุดับของ <c oughs> ใช่ไหมถ้านามรูปที่เป็นปัจจัยของของวิญญาณเนี่ยดับเสร็จแล้วเนี่ยวิญญาณจะจะเกิดยังไง แล้วก็เห็นวิปริณามลักษณะลักษณะการเปลี่ยนแปลงการดับนี่ในขุททกาปาฐานเนี่แสดงอย่างนี้อันนี้ก็จะมองเห็นว่าเนี่ยนี่ไงบอกว่าพิกษูพิจารณานี่แหละเห็นในลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาบอกว่าเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นการเกิดดับและเหตุแห่งการเกิดดับเนี่ยจิตตัสมิงเนะบอกว่าในจิต ส่วนคำว่าวาปนาสน์อีกอย่างหนึ่งสติก็คือสติอสระพิคุโนก็บอกว่าปัจจุปัตธิตาโหติย่อมตั้งขึ้นอย่างนี้ว่าอัติจิตังมีอยู่บอกบอกว่าสาสติสตินั้นปัจจุปัตติตาโหติว่าย่อมตั้งขึ้น่ะยาวะเอวะยานามัตตายะก็เพียงเพื่อความก้าวหน้าแห่งญาณปัญญาที่ยิ่งยิ่งไปเท่านั้นถามว่าเนี่ยเจริญสติเนี่ย ถ้าเราเจริญสติเนี่ยนะในชั้นของคำสอนที่ว่าสติเป็นธรรมชาติที่ตั้งมั่นในรมเนี่ยนะเกี่ยวกับการระลึกได้เนี่ยทำที่ทำที่สภาพทมที่ให้ทา ท, าที่เกิดพร้อมกับตนระลึกมั่นต่ออารมณ์ของสติปัฏฐานเนี่ยดุดแผ่นหินที่จมไม่ลอยเหมือนลูกน้ำเตาเนี่ย สติที่ตั้งมั่นในรมสติปัฏฐานในรมจิตของจิตหนึ่งนะไปใไปตั้งมั่นที่จิตมีราคาปราศจากราคาเปเต้รเหลนี้เพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรตัวเนี้ยเพื่อความก้าวหน้าแห่งยานนะแห่งยานปัญญาที่ยิ่งยิ่งยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นสติที่ตั้งมั่นเนี่ยนะที่ตั้งมั่นดุดดุดแผ่นหินที่จมดิ่งไม่ลอยดุดอีกกระเบื้องเนี่ย หรือสภาพธรรมที่ไม่ให้อารมณ์คือรูปนามเป็นต้นน่ยอันเป็นที่ตั้งของสติบอกว่าจิตในที่นี้เป็นนามใช่ไหมจิตมีราคาจิตปราศจากราคาจิตมีโทสะปราศจากโทสะเนี่ยแปลว่าสภาพธรรมที่ไม่ให้อารมณ์ก็คือจิตเนี้ยไม่จิตที่มีราคาและปราศจากราคาเนี่ยอันเป็นที่ตั้งของสตินี่ลอยลอยดุลลูกน้ําเต่าไปคือมันลอยออกจากใจไประลึกไม่ทัน คำว่าระลึกไม่ทันในที่นั้นไม่สามารถเอาเอาจิตเหล่านั้นมาวิจัยได้หรือวิจัยสภาวะจิตเหล่านั้นได้มันลอยหนีไปซะแล้วเนี่ยอย่างนั้นแปลว่าสติไม่ตั้งมั่นสติปัญญานไม่ตั้งมั่นสติปัญฐาถ้าตั้งมั่นก็แปลว่าไม่ปล่อยให้อารมณ์อารมณ์ในที่นั้นก็คือจิตมีราคาหรือจิตปราศจากราคะลอยหนีไปดุดลูกน้ําเต้าที่ลอยไปตามน้ํามองเห็นไหมเนี่ย ใหนะ้ราคาเนี่ยบางทีเราจะไปวิจัยราคาแต่ไม่รู้ลักษณะของราคาก็ไม่รู้กิจของราคาก็ไม่ทราบอาการปรากฏของราคาก็ไม่ทราบประทัดฐานเหตุใกล้ของราคาก็ไม่รู้อีกเนี่ยลอยไปอยังตอนนี้ลอยแล้วสติไม่ตั้งมั่นแล้วอย่างเนี้ยถ้าไม่ตั้งมั่นอย่างเนี้ยและตั้งมั่นเพื่ออะไรตั้งมั่นเพื่อ ย, ยานนะเพื่อสัมปชัญญะเพื่อปัญญาที่จะได้เข้าไปวิจัยลักษณะ วิจัยเห็นลักษณะของจิตที่มีราคะใช่ไหมว่าความยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยวิจัยอะไรต่อวิจัยกิตของราคะที่ทํากิตในการที่เข้าไปยึดติดอย่างเหนียวแน่นเหมือนกับโยนชิ้นเนื้อเข้ากับเบื้องที่ร้อนๆน่ะแกะออกไม่ได้นั่นแหละจะได้ไปเข้าใจว่าโอ้สภาพของสภาวะของราคาจิตเป็นแบบนี้แล้วอาการปรากฏก็คือนั่นแหละเป็นสภาพที่ที่ยึดมั่นอย่างมั่นคงนั่นเองไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมปล่อยก็เหมือนกระสีที่พ่นติดกับเสื้อผ้าอย่างเหนียวแน่นนั่นแหละเหตุใกล้ก็คือนั่นแหละจากการที่คิดแต่ของสวยๆงามๆของทิงเที่ยงของสุขๆทั้งหลายนี่แหละเป็นปัจจัยราคาเกิดดีนักนี่นะเหตุใกล้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยกรณีก็จะได้ไปเข้าใจอย่างลึกซึ้งในในราคาจิตนั้นเมื่อเข้าใจเบื้เสร็จแล้วเนี่ยยานปัญญาทํากิจเจาะทะลุดทะลวงอย่างเงี้ย เพื่อความก้าวหน้าแห่งญาณที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนคําว่า ย, ยาวะมันคืคำว่าเอวะนี่นะยาวะเทวะนั่นแหละปฏิสติมัตตายะเพียงเพื่อความก้าวหน้าแห่งสติยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่า น, นั้นเอาแล้วสติกับสัมปชัญญะเวลาเขาทำกิจเกื้อหนุนกันเนี่ยสติก็เกื้อหนุนสัมปชัญญะหรือญาณนะด้วยสมปยุตตาปัจจัยใช่ไหมด้วยสาชาตปัจจัยด้วยอัญญมัญญปัจจัยด้วยนิสยปัจจัยด้วยอุปนิสยาปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ และในขณะเดียวกันปัญญาก็มาเกื้อหนุนสติด้วยสาชาตะาสาชาตานิสยาสาชาตาถิสาชาตา่าวิขตาไปต้นเลเนี่ยนะอัญญาบัญญาสมยุตตะเขาก็เกื้อหนุนเพื่อให้สติยิ่งยิ่งขึ้นไปสติก็เกื้อหนุนปัญญาปัญญาเกื้อหนุนสติอันนี้พูดสองตัวแปลว่ามักพูดหมดนะแปลว่าทั้งศรัท ธ, ธาทั้งวิรยิยะทั้งสติสมาธิปัญญาพูดและวนี่เขากเกื้อหนุนเึ่นกันและการอย่างเงี้ยเขาจะมีกําลังยิ่งขึ้นไหมเขาจะก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปไหม ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในที่สุดจริงๆก็ชําระอะไรชําระใจที่โสกปกให้สะอาดปกติในใจสัตว์นี่ยโสกปกด้วยราคาโทสะโมหะมานายาวนานแล้วด้วยการที่ความหมุนของศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของในใจสัตว์เนี่ยไม่แข็งแรงพอความโสกปกคือราคะคือโทสะโมหะก็มาไหลร า, าดลดกระแสใจสัตว์นั้นกรณีแห่งการเจริญสติเนี่ยท่านถึงใช้คําว่า สติเนี่ยนะสาสติป จ, จุปติตาหัเตียย่อมตั้งมั่นเนี่ยย่อมตั้งขึ้นสติตั้งขึ้นตั้งขึ้นที่ไหนตั้งขึ้นในอารมณ์ไงไม่ให้อารมณ์คือคือรูปนามในที่นี้ก็คือไม่ให้อารมณ์ก็คือจิตมีราคาเป็นต้นเหล่านี้ยอันเป็นที่ตั้งของสติลอยลอยไปว่างั้นลอยลอยไปเหมือนดวงดาวสภาพที่ตั้งมั่นต่ออารมณ์เลยตั้งมั่นต่ออารมณ์ตั้งมั่นเพื่ออะไรไง เพื่อความก้าวหน้าแห่งญาณที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปและในขณะเดียวกันท่้นว่ายาวะเด ว, วะบปฏิสติมัตายะอเพียงเพื่อความก้าวหน้าแห่งสติที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปพิคูนั้นย่อมอยู่นะย่อมอยู่วิหารติย่อมอยู่อันนี้สิโตจะโดยเป็นผู้ไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิด้วยแปลว่าตอนนี้ไม่ให้ตัณหานิสยัยทิฏฐินิสยัยเข้ามาอิงใจและ ในขณะที่กําลังหมุนเพื่อเป็นปัจจัยแก่กันและกันอยู่นั้นนะ่ยทั้งสติเป็นปัจจัยแก่ปัญญาปัญญามาเกือ้อหนุนแก่สติสรุปก็คือว่าศรัทธาเป็นปัจจัยแก่วิรยิยะวิริยะเป็นปัจจัยแก่สติสติเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิาเป็นปัจจัยแก่ปัญญาก็หมุนกันอยู่เนี่ยนะอินทรีย์หพาระหมีกําลังและวพอศรัทธาภาระมีกําลังมากศรัทธาภาระก็เป็นปฏิปักษ์ต่ออสัตธยะความไม่มีศรัทธาทั้งหลายใช่ไหม แล้วก็ออกจากตันหาได้ศรัทธาก็เริ่มก้าออกจากตันหานิสยัยเป็นต้นได้วิริยะก็ออกจากกลุ่มอกุศลโกสัจฉะได้คือความเกียจค้านสติก็ออกจากมุตตสติคือการหลงลืมสติกลุ่มอกุศลทั้งหลายที่หลงลืมสติได้สมาธิก็ออกจากกลุ่มวิเขปะคือความฟุง้งซ่านลาคาญใจได้เป็นอาวิเขปะไปความไม่ฟุ้งซ่านปัญญาก็ออกจากกลุ่มสัมโมหะ ค, ความหลงนี่พอชําระมากขึ้นเนี่ยจิตโสกโปกหายไหม หายและวจิตกษัตรนี่คือสุติปทานเนี่ยเป็นอย่างนี้เขาโดยเป็นผู้ไม่อาศัยไม่อาศัยตัณหานิสัยไม่อาัยทิฐิแล้วน่าจะอุปาธิยติย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นกินจิซึ่งสังขารละโลกใดๆว่าเป็นเราและเป็นของเราโลเกนเนี่ยสังขารละโลกก็คืออุปาทานกันนะที่กําลังเกิดดับเป็นไปอยู่ไม่ยึดมั่นแล้วแต่เนี้ยไม่ยึดมั่นโดยตัณหาไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐิ ท่านรวมมานะในนั้นด้วยไม่ยึดมั่นด้วยตัณหาด้วยมานะด้วยทิฏฐิไม่ยึดมั่นด้วยตัณหาว่าเป็นอะไรของเราใช่ไหมไม่ยึดนั่นด้ยมานะว่าเราเป็นนั่นไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐิว่านั่นเป็นอัตตาของเราเป็นตัวตนของเราไม่ยึดมั่นด้วยตัณหาด้วยมานะด้วยทิฏฐิท่านกล่าวสองตัวไว้มานะชื่อว่ากล่าวแล้วมองย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยสติปัฏฐานเขาเจริญแบบนี้ยากไหม เขาจะเรียนรักษณะอย่างนี้อาจารย์พลแล้วการที่คนก็จะเห็นภาพด้วยไดราของการที่จะรากเปลี่ยน่าแต่นี่นี่การประกาศว่าสิ่งที่มาเลางที่จะเล่าจะมาเชื่อมโยงจากพิษณุยาสกอย่างไรบ้างอ๋อนี่ไงที่กาลังชาระในลักษาเนี้ยที่ท่านใช้คาว่าโซพิกโเนี่นะ พิสูจนั้นวิหัดย่อมอยู่อั น, นิีสิตโตจะเนี่ยโดยเป็นผู้ไม่อาศัยตันหาและนิสัยตันหาและทิฏฐิด้วยก็คือว่ากรณีที่ตันหาไม่เข้ามาสู่ใจทิฏฐิไม่เข้ามาสู่ใจนั่นแหละเพราะว่าการชาําระศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่พละหา้าอินทรีห้าพละหแข็งแรงแล้วตรงนี้ตรงเนี้ยความบริสุทธิ์ที่ความบริสุทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้้งวลไปดยยุ ระ ด, ดับของทีปัาสนานยานอรเพื่อให้เห็นคะเพราะถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยก็โดยรวมๆเมนนะคะรนให้คนก็จะมองมีเห็นข้อต่อความเชื่อโดยวอยตรงตรงไหนยังไงได้อ๋อคืออย่างนี้ในกรณีเห็นการที่ว่าพิจารณาจิตนี่เนะยมีราคาหรือว่าปราชญาจากราคาเบตเตอร์หรอเนี่ยเพราะปกติเนี่ยนามรูปปริเคทยานไม่เคยปรากฏ ขาเรกรูปปริคหากะนามปริคหากะเนี่ยนะการกําหนดรูปการกําหนดนาำเนี่ยญาณปัญญาไม่ปรากฏพอเมือม่อไม่ปรากฏแล้วเนี่ยความบริสุทธิ์หมดจดของญาณปัญญาที่ไปเข้าเห็นตามความเป็นจริงของของรูปนามขันห้าทั้งหลายก็ไม่ชัดไม่ชัดในที่นั้นก็เลยใช้คําว่าจิตโสขปกด้วยกิเลสคือราคะโทสะเป็นต้นนั่นแหละไม่เข้าถึงที่ิฏวิสุทธิ์ไม่เข้าถึงไม่เข้าถึงน้ำรูปปริเฉทญาณ คือยานที่เข้าไปชำระไปเห็นตามความเป็นจริงตรงนี้ฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานถ้ามองดูแล้วก็คือว่าการพิจารณาจิตในที่นี้ในหมวดจิตตานุปั ส, สนาเนี่ยท่านใช้ประตูของจิตเพื่อจะสืบค้นไปดูรูปนามรูปนามขันห้า กว่าสุับวัคต์นี่ยวัคติที่จะมีก็คนามแล้วก็ดูนามว่าตั้งขาสาวหานามว่าตั้งที่นเมื่อสาวหาแล้วก็แล้วก็วิจัยต่อไปตามวาี่ยก็มาอ๋อก็กรณีอย่างนี้นะว่าจริงๆก็คือว่ากลุ่มของนามมารมทั้งหลายคือจิตนี้ก็คือเป็นวิญญาณนักขันใช่ไหมนั่นแหละ ทีนี้ในจิตนั้นน่ะตามท่านคําสอนเขาบอกว่าไม่ใช่แต่วิญญาณเท่านั้นแม้ภาษาก็อยู่ในนั้นแม้สัญญาเวทนาก็อยู่ในนั้นสรุปก็คือว่านั้นแหละก็คือ<ไ>ท่านพูดถึงในเรื่องของคําว่าแท้ที่จริงก็คือเป็นสภาวะธรรมก็คือวิญญาณขันเวทนาขันสัญญาและสังขารละขันที่ประชมอยู่ในจิตดวงนั้นการเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นเห็นชัดในนาม ทีนี้นามาทมเหล่านี้ที่เป็นไปกัทวาลทั้งหลายมีจักรกัทวาลต่างๆเป็นต้นจนถึงมโนทวานสลุก็คืออาศัยวัตถุเป็นไปทั้งจักรวัตถุโสตวัตถุคานวัตถุชิวหาวัตถุและกายวัตถุจนถึงอหิยาวัตถุมาพูดและอุปาทายาทูเป็นไปอยู่แท้จริงความเป็นไปของรูปนามและขันห้าเป็นไปอยู่ความเข้าใจความเห็นหมดจดตรงนี้เหล่านี้เป็นนามรูปปริเจทยานลักษณะอย่างนี้การสืบค้นตามความเป็นจริงจะเน้นความเป็นไปของนามรูปเหล่านี้ แล้วต่อมาจึงมาสืบค้นว่านามรูปต่างๆเหล่านี้มีเหตุปัจจัยดังกล่าวมาแล้วว่าวิชาเป็นปัจจัยของกลุ่มนามธรรมเหล่านี้ยังไงตันหาเป็นปัจจัยอย่างไรกรรมเป็นปัจจัยอย่างไรอุปาทานเป็นต้นเป็นปัจจัยแล้วก็กลุ่มนามรูปเป็นปัจจัยหรือภาษาเป็นปัจจัยการเวทนาอย่างไรจนถึงว่านิพพติลักษณะลักษณะการเกิดตลอดถึงว่าวิปริณามลักษณะลักษณะการดับตรงนี้ก็คือการพิจารณาเหตุปัจจัยของนามรูป อันนี้ก็เข้าไปส่วนในส่วนของปัจจยาปริฆหายาแล้วก็ยกถามบอกว่าการเข้าใจทั้งส่วนของน้ำรูปปริเฉษยานปัจจยาปริฆหายานเนี่ยอยู่ในการเข้าใจลักษณะยิตุกะ น, นี่นะการเข้าใจลักษณะรักษาประยุทธ์ฐานประทธานของนามธรรมและของรูปตามความเป็นจริงไอ้ตรงเนี้ยความเห็นบริสุทธิ์หมดจดด้วยยกเหตุปัจจัยขึ้นมาด้วยเห็นความเป็นไปของเหตุปัจจัยของนามรูปเป็นต้น แล้วก็ความเป็นไบข้างน้ำรูปนี้ได้เพราะเหตุปัจจัยเป็นต้นแล้วถึงยกประชุมขึ้นสู่ไตร ล, ล, ลกักษณ์แล้วก็แล้วก็สามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเป็นของไม่งามเป็นต้ น, ลตนเลย อ, อ๋อ การวิพากษ์วิจารคือช่องทางของการที่จะเริ่มต้นที่จะตัดทิ้นวาสติตั้งอยู่ตรงหนงแล้วก็เป็นช่องทางของการที่ทำให้จิตเหกที่ ก็นั่นคือเร่อที่ มันมีลำดับไปก็เขียนถึง้นะเพรว่าความที่สื่อพอแล้วนะก็พอฟังไปรูเสียนี้แต่ว่ามันก็คือจะเป็นไปถึขั้นที่เาคือวิทยาโฆษณาแล้วคือเหอนให้เห็นในรูปแบบของการบรรลุธรรมในสมัยพิการแล้วข้นมาตรงในสิ่งสถาปัย์ว่าจะทำให้ความเข้าใจในการศึได้มากขึ้นอ๋อก็อย่างที่อย่างที่ยอมพูดมานะว่าความความว้างขวางในการเจริญสิปงสฐานมีมีมาตามระบบดังกล่าว ในการมาฐานหรือในการเจริญศีลในเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจาคาศีลาอุปสมามรณ า, านุสติเนะแม้อานาปันนะหรืออะไรต่างๆกายะคตาสติต่างๆเยอะแยะไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่บอกว่าเดินมาทางด้านการฟังปราโมดพิตีประสิทธิความสุขสมาธิในชั้นคําสอนก็จะกล่าวบนข้างเยอะก็มาประชุมลงไหนก็คือการเดินสติปัฏฐานเพื่อเดินก็สู่การวิจัยนามรูป แล้วก็ยกนามรูปเขาหาเหตุปัจจัยยกน้ำรูปแล้วก็ประชุมลงสู่ไตรลักษณ์แล้วก็ละกิเลสเป็นไปตามลำดับอันนั้นก็หลักนการเรนเลยมีหมดเวลาแล้วก็ใช่ไงก็ไดเพราะว่าการที่จะเขนี้เพราะว่ารูปงามก็คือใจรรมะครูปงามจะเดินด้วยที่ตรงจุดไหนก็ตาม ก็คือว่าคว่าการที่จะทำได้นีอกาการที่จะการเนที่ตอ้สติแน่นอคือสตที่มีรสติสติที่มีาาที่โยมว่าคือความเชื่อมง้จริงถ้ามงก็คืออ๋อตรงนี้ตรงนี้ท่านจะกล่าวไว้แล้วว่าสติสติถ้าปราศจากปัญญาสติที่ปราศจากปัญญาก็เหมือนกับว่า อํานาจที่ไม่มีราชกุมารอยู่ด้วยก็อํานาจก็น้อยก็ไม่มีกําลังแต่สติที่หมายเอาสติปัะธานในที่นี้เป็นสติที่เกื้อหนุนกันเองไหมสติเกื้อหนุนเพื่อญาณที่ยิ่งยิ่งญาณก็เพื่อสติที่ยิ่งยิ่งอันนี้ถึงจะเป็นสติปัะธานที่กลาง